เรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลวิวาทพระเถระกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติ469ท่านพระมหาโมคคลานะได้ทราบข่าววา่ า, ะ า, ะ า, า, ววาละท่านพระมหากัสปะได้ทราบข่าวว่าละท่านพระมหากัจจานะได้ทราบข่าววา่าละ ท่านพระมหาโกติตะได้ทราบขาวว่ า, า, า, ขาว ว, าาาา ว, ว่าละท่านพระมหากัปปินะได้ทราบข่าวว่าละท่านพระมหาจุนทะได้ทราบข่าวว่าละท่านพระอนุรุทธะได้ทราบข่าวว่าละท่านพระเรวตตะได้ทราบข่าวว่าละท่านพระอุบาลีได้ทราบข่าวว่าละ ท่านพระอานนท์ได้ทราบข่าวว่าละท่านพระราหุลได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสง์เหล่านั้นกําลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับ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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าราหุลเธอพึงรู้จ <mars. S 2> ักอธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุ18ประการละราหุลเธอพึงรู้จักอธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุ18ประการนี้แหลราหุลเธอพึงรู้จักธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุ18ประการ ละราหนุนเธอพึงรู้จักธรรมวาทีภิกษุเพราะวัตถุสิบแปดประการนี้แหล